บำเพ็ญเพียรทุกอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินครบอิริยาบถสีไม่ว่าจะกำลังเดินทางดังกล่าวแล้วหรือเมื่อไปถึงที่ซึ่งเห็นควรหยุดพักชัวก่วคราวหรือพักแรมเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจะเป็นตามใต้ต้นไม้หรือกลางแจ้งบนยอดเขาหรือเงื้อผาริมเหวหรือในถา้าการบำเพ็ญเพียรของท่านก็มิได้ ด, ดละ ทั้งกลางวันกลางคืนขณะอยู่บนเขาหรือในถ้ำกลางป่าลึกซึ่งมีชาวเขาหรือชาวไร่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆและโดยปกติก็จะมีราวสองถึงสามครอบครัวเป็นอย่างมากท่านดิ่นดําในการบําเพ็ญภาวนามากจะไม่ค่อยสนใจกับอาหารขบฉันเว้นสี่ถึงห้าวันจึงจะออกมินทบาททีหนึ่งการภาวนาในป่าเขาชนี้ท่านว่า มีแต่ก้าวหน้าจิตเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนทั้งเรียบทีนั่งเดินยืนนอนแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเรียบทีสโดยการนอนนั้นท่านเตียมกระทำเพื่อทัดขันได้พักผ่อนคลายเท่านั้นกลางวันอากาศร้อนท่านมักจะพักมากกว่าแต่กลางคืนอากาศจะเย็นสบายกว่าจิตจะลงได้สนิเทเป็นฐานของสมาธิและลงได้ ลังแลหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนออกมาบางเวลาคิดเมตตาเทวดาท่านก็ถอนจิตออกมาอยู่ในระดับอุปจาระสมาธิต้อนรับเมตตาเขาตามควรโดยการแสดงธรรมะหรือตอบปัญหาสิ้นสุแล้วท่านก็ย้อนจิตเข้าสู่สมาธิจนกว่าจะถึงเวลาที่ค่อยถอนขึ้นมาซึ่งท่านก็จะพิจารณาภาคปัญญาตราลักษณ์ อริยสัตว์สี่ต่อไปท่านนั่งภาวนาครั้งละนานนานสองถึงสี่ชั่วโมงหรือสี่ถึงห้าชั่วโมงหรือตลอดรุง่งแล้วแต่จิตจะสงบและถอนขึ้นมาพ้นจากนั่งท่านก็เดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนเรียบทซึ่งแต่ละครั้งก็คงนานเป็นหลายชั่วโมงเช่นกันแม้ในปัจฉิ ม, มวัยอายุถึงกว่าเกสพรรษาเดินเองไม่ได้ หลวงปู่ยังให้พระเนนเขน็นรถจงกรมครั้งละสองถึงสามชั่วโมงเป็นปกติบางครั้งข้อธรรมก็ผุดขึ้นระหว่างกำลังเดินจงกรมทำให้ท่านต้องหยุดคืนพิจารณาจนกระจ่างรู้แล้วจึงเดินต่อไปธรรมะที่ผุดขึ้นทั้งเวลาที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิท่านเคยจดไว้เป็นเล่มๆ ม, มีสิทธิได้เคยเห็นหลายคนแต่น่าเสียดาย ที่เวลานี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดสําหรับถ้าที่บําเพ็ญภาวนานั้นท่านเคยเล่าให้สิทธิใกล้ชิดฟังว่าถ้าต่างๆที่ท่านเคยผ่านใบบาเพ็ญการภาวนานั้นทั้งในประเทศไทยทั้งในประเทศลาวและทั้งในประเทศพมา่ามีจํานวนถึงห้าสิบแปดถ้ำเฉพาะในเมืองไทยนั้นแน่นอนเยอะมากที่สุดถ้าที่ภาเหนือก็เช่นถ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ ท้ำดอกคำภวนาดีที่เขาวเชียงรายพะเยาแม่ห้องสอนลำพูนลำปางเพชรบุญแป่ น, าน่านทรำที่ภาคอีสานเลยอุดรขอนแก่นนค ร, รราชสีมาหนองคายสกลนกครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานียะโสธรกาลสินร้อยเอ็ดศรีสะเกตมหาสารคามบุรีรัมย์ เฉพาะถ้ำที่ท่านจับปะษานั้นท่าที่ทราบแน่นอนมีที่ถ้าแม่แจมจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่28พุทธศักราช2495ถ้ำนายลมจังหวัดเพชรบูรณ์พรรษาที่4พุทธศักราช2477ถ้ำพระสบายจังหวัดลำปางพรรษาที่30พุทธศักราช2497ส่วนถ้ำอืน่น ที่พักนานเป็นแบรนเดือนแต่ไม่ได้จำภาษาก็มีถ้าผาแดงนางไงถ้าเสือผู้หลวงทํามะกะอําเภอแม่แตงถ้าดอกคําอําเภอพร้าวถ้าตาดหมอกเชียงใหม่ถ้าแม่และงองเชียงใหม่เป็นอาทิสำหรับบนยอดเขายอดดอยนั้นยังไม่มีใครกราบเรียนถามท่านว่ายอดเขายอดดอยที่ท่านวิเวกผ่านมา ตั้งแต่เป็นผู้จาริธ์แสวงธรรมจนเป็นผู้ปลดวางโปรยปลายกระแสธรรมแก่ทั้งหมู่มวลมนุษย์และเทวดาพร้อมทั้งพวกกายทิพย์ทั้งปวกนั้นจะเป็นจำนวนกี่ร้อยกี่พันแห่งและก็เช่นเดียวกับถ้ำนอกจากในประเทศไทยยังมีทั้งในประเทศลาวประเทศพม่าด้วยภูเขาควายในประเทศลาวซึ่งเป็นเขาสูงอุดมด้วยป่าดงดิบและสัตว์ป่า เป็นที่ซึ่งทราบกันในหมู่พระธุดงกรรมฐานว่าบรรดาฤาษีชีภัยนักสิทธิพระประเจตพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าแต่สมัยพุทธกาลเคยขึ้นไปบำเพ็ญรถภาวนาหรือนิพพานและเป็นแถบทินที่ท่านพระอาจารย์เสากระตับศีโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตามหาเถระอาจารย์ของท่านเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วและแนะนาให้บรรดาสิท ที่หัวกะทิของท่านไปบัมเพนเพียน เ, เป็นการทดสอบจิตจะแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่ยอดดอยอีต่อดอยบ้านยางแดงโปรดพวกอย่างในประเทศพมา่าดอยวิเวกเมืองหางดอยเชียงปองดอยเชียงคำโปรดพวกไทยใหญ่ในเขตพมา่าเช่นเดียวกันท่นานละว่าเฉพาะที่จำพรรษาบนยอดดอยนั้นมีสสิบอย รวมทั้งในเมืองไทยและพะมา่าโดยเฉพาะที่พมา่าตลอดเวลาที่เดินทางไปสองครั้งรวมหปีเศษนั้นได้จำภาษาบนยอดดอยทั้งห้าภาษาครั้นล่วงเข้าสู่มชิมวัยการไปคนเดียวอยู่คนเดียวของท่านก็ลดละลงบ้างด้วยได้มีพระเนรผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมใครขอติดตามเป็นเสร็์มากขึ้นแต่ท่านก็ยังเลือกเฉพาะผู้มีนิสัยเช่นท่านคือ เด็ดเดียวอดทนทนอดผลยากทนลำบากตั้งใจมั่นคงต่อการบาเพ็ญเพียรภาวนาตั้งใจมั่นคงจเจริญรอยตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดําเนินครูบาอาจารย์ของท่านพาดําเนินมาท่านก็พาศิษยานุสิทธิ์ดําเนินต่อไปตอนที่สิาเมตตาธรรมที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์ไปจุิสิหลวงปู่ สอนพระเนรเสมอให้สแสวงหาที่สงัดวิเวกเล่นทําความเพียรภาวนาอย่างหนักอย่าประมาธการทําความเพียรให้ปฏิบัติจนเป็นความเคยชินไม่ให้เลือกการเวลาหรือสถานที่ความจริงแทบจะไม่ต้องพูดด้วยวาจาเลยพระองค์ท่านก็เป็นแบบฉบับอันยิ่งยอดของผู้สแสวงหาที่อันสงัดวิเวกอย่างแท้จริงอยู่แล้วเขาสูงป่าเล็ก ถ้ำอันสงัดลับลีที่แทบจะไม่เคยมีเท้ามนุษย์เคยเยี่ยมกายไปถึงล้วนเป็นที่ซึ่งท่านเคยดันดดทุดงผ่านไปแล้วอย่างโชคชนท่านสัตว์เสริญอยู่เสมอว่าการทําความเพียรภาวนาจะได้รับความก้าวหน้าทางจิตอย่างดุดเดือดลึกซึ้ ง, งในสถานที่อันสงัดวิเวกเพื่อความก้าวหน้าทางภาวนาจึงควรแสวงหาปากเขาอันจะสงบ ลึกลําเป็นที่บำเพ็ญเพียรแต่ท่านก็เตือนบรรดาสิ่์เสมอว่าอย่าให้สิ่งนี้มาเป็นกังวลจนเสียประโยชน์ของเจ้าของโดยมัวแต่ตรึกนึกแสวงหาแต่สถานที่ใหม่เรื่อยไปเมื่อหาสถานที่อันเป็นที่สัตประยะแก่ชิตได้แล้วก็ควรพอใจพำนักบำเพญ็ญภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรู้สึกจืดจางหรือเคยชินไป จิตผู้ภาวนาควรจะเตืดนระวังภัยระวังสติเมื่อใดเกิดอาการชินชาหรือที่เรียกว่าติดที่อยู่ก็ต้องแสวงหาที่ใหม่ตอบใอาการติดที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงให้ปัรดาภิสุควรระวังมีอยู่สีประการคือติดอาหารติดอากาศติดตะโกลและติดที่อยู่ติดอาหารหมายถึง การติดในรถอาหารว่าประณีตอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มติดอากาศคือการติดอากาศร้อนหนาวโปรง่งเย็นสบายไม่เฉนไม่แฉะติดตระกูลคือการติดพึงใจที่อยู่ใกล้ชิดญาติโยมผู้อุปถัมภ์ให้มีแต่ความสะดวกสบายติดที่อยู่คือการติดเพนติดสถานที่ถือเป็นที่อยู่ประจา และกลายเป็นถือเป็นเจ้าของเจ้าของไปพระชุดงจะต้องสามารถละได้ไม่มีการติดเหมือนพยาหงที่บินจากสัมมุจรินไปโดยปราศจากการโศกสรดห่วงหาอาลัยฉะนั้นหลวงปู่เตือนสิทธิของท่านเสมอว่าแต่จะอย่างไรก็ดีจะอยู่ที่ใดก็ตามบัณฑิตย่อมรู้จักใช้สถานที่และเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการอาวนาทุกจังหวะ และทุกโอกาสไม่เฉพาะแต่เวลาที่นั่งภาวนาหรือเดินจงกรมแม้แต่ระหว่างไปบินบาตระหว่างฉันระหว่างทากิจวัตรประจาวันไปห้องน้ำล้างหน้าระหว่างเดินทางไม่เลือกสถานที่ว่าจะต้องอยู่ในกลางป่าในถ้าในกูหาบนยอดเขาระหว่างโคจอยบินบาตไปในหมู่บ้านก็ควรจะต้องตั้งสติมองดูจิตของตนตลอดเวลา ไม่เลือกการเลือกสถานที่ไม่เลือกหนาวเลือกร้อนเลือกฝนตกเลือกแดดออกเลือกสบายหรือเลือกป่วยไขย้ต้องเป็นผู้มีสติอยู่ทุกการทุกสถานที่และทุกริยบทสติกับจิตสติต้องอยู่ตลอดไม่ว่าจิตจะอยู่ในขั้นใดขั้นเริ่มฝึกหัดขั้นจิตเป็นสมาธิขั้นเริ่มฝึกหัดทางปัญญาจะเจริญสมถะ หรือวิปัสสนาขั้นใดก็ตามต้องอาศัยสติกำกับดูแลอยู่ตลอดหากขาดสติสมาธิและปัญญาก็จัดไม่เจริญไปได้ท่านให้พระเนนมุ่งตรงต่อสติปัฏฐานสและอริยสัจสท่าันวาทางนี้เป็นมรกเอโกมัคโคทางเอกทางเดียวท่านมุ่งตรงไปสู่ผลคือการทับทุกข์หรือนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงรับรองมาตลอดท่านอธิบายว่าเรื่องสติเรื่องมหาสติปัตฐานสี่เรื่องใจรักและอริสสีที่ท่านเน้นให้พระเนรปฏิบัตินี้ท่านก็กล่าวตามแนวที่ท่านปฏิบัติโดยได้รับประว่าสั่งสอนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านกล่าวคือจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้สอนสั่ท่านมานั่นเอง ว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัตินำไปสู่การหลุดพ้นถ้ามั่นใจในมรรคผลผนิพพานปฏิบัติไปอย่างเต็มสติเต็มปัญญาเต็มความสามารถไม่ยอดทอรอ ร, ร, รสสีสงสัยนี่สงสัยโน้นก็จะหายสงสัยในธรนธรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงหมดการรึกนึกถึงอดีตอนาคตสามารถปล่อยวางทุกกังวลทั้งปวงวางภพวางชาติได้ ท่านก็ปฏิบัติไปตามคำที่ครูบาอาจารย์พาท่านดาเนินมาและท่านก็นำธรรมะคำสั่งสอนนั้นมาถ่ายทอดให้หมู่สิทธ์อีกทอดหนึ่งการทำจริงย่อมได้รับผลจริงอย่างไม่ต้องสงสัยสำคัญแต่ว่าทุกคนจะยอมทำจริงหรือไม่เท่านั้นพระพุทธเจ้าสรุปไปกี่ครั้งท่านพระอาจารย์มั่นก็สรุปกี่ครั้งประวัติครูบ า, าอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ภาวนาสละตาย ส่วนศพสลบไปแต่ละครั้งแต่ละองค์กี่ครั้งผู้ที่มารู้จักมากราบไหว้ในภายหลังก็เห็นแต่ต่อที่ท่านผ่านแดนตายกันมาแล้วจะมีกี่คนที่เข้าใจถึงถึงคําที่ท่านกล่าวสั้นๆกันว่าต้องทาความผ้าความเพียรอย่างเป็นที่อย่างอุกฤษไม่ใช่ทาแบบยกยอกแยกแย ก, ยกแล้วก็ฝันถึงสวรรค์นิพพานเอาฝันก็ได้แค่ฝันได้แค่งเงา กว้าได้แต่เงาที่จะเป็นสมบัติของตนอย่างเต็มภาคภูมินั้นอย่าได้ฝันไปตามจำนวนของหลวงปู่ท่านสอนสิทธิผูใกชิดว่ารรมอยู่ริมตายฟากป่าหมากเยาน้อยเดียวกว่าจะพลุกกระดูกเพียงปลายภายัยท่านอธิบายว่านิพพานไม่ได้ศูนย์ไม่ได้หยุดตามที่โลกคาดคะเนหรือเจ้ากัน ทำจริงจะได้เห็นของจริงรู้จริงและจะเห็นลิปานเองเห็นพระพุทธเจ้ากระธรรมประสงค์เห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชสุ์เองและหายสงสัยโดยประการทั้งปวงท่านเล่าให้ศิษย์ผู้ใกล้ชิดและมุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นฟังว่านี่แหละเป็นคําสอนจากท่านพระอาจารย์มั่นและความจริงเป็นธรรมะที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตามาแสดงโปรดท่านทางนิมิตภาวนา ท่านว่าท่านพระอาจารย์มั่นมั่งด้วยความเมตตาต่อสิทธิ์โดยเฉพาะสําหรับหลวงปู่แล้วเวลาท่านติดขัดในการภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นจะเมตตามาแสดงธรรมสอนท่านทางสมาธิภาวนาเสมอไม่เลือกสถานที่ว่าจะฟันเวลาที่อยู่หรือในถ้ำหรืออยู่กลางป่าหรืออยู่บนเขาและไม่เลือกว่าจะเป็นเมืองใดประเทศใดไทยหรือลาวหรือพม่า บางทีท่านพระอาจารย์มั่นก็จะเหาะลอยมาทางอากาศแต่บางทีก็จะเดินมาอย่างธรรมดาหรือปรากฏร่างขึ้นในทันทีเมื่อท่านเมตตาสั่งสอนจบลงหลวงปู่ก็ก้มลงกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและเต้นตื้นด้วยความรู้สึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอย่างล้นฟ้าล้นดินไม่เคยพ่อทิ้งติดดูแลห่วงใย คอยสอดสองให้ความรู้แก่สิษ์ตลอดเวลาแม้แต่เมื่อท่านลิพันไปแล้วท่านก็ยังคงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่สูงด้วยเมตตาต่อศิษย์อย่างไม่เสื่อมคลายท่านละว่าท่านพระอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและเมตตาสั่งสอนท่านเสมอและขณะมื่อผู้เขียนบันทึกมาถึงตอนนี้ได้ขอโอกาสกราบเรียนถามถึงแม้ในเวลาปัจจุบนันนี้ปี พุทธศักราช 2,535 เมื่อเรียนถามครั้งสุดท้ายหลวงปู่ก็รับว่าท่านพระอาจารย์มั่นยังมาเยี่ยมอยู่เช่นเดิมบันทึกมาถึงแค่นี้ผู้เขียนก็ให้นึกถึงเรื่องที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกถึงพุทธกิจหประการขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งคนสมัยนี้ส่วนใหญ่อ่านแล้วก็ไม่ยอมเชื่อพุทธกิจหประการที่ทรงบำเพ็ญ ให้เป็นประโยชน์แก่ชาโลกนั้นมีกล่าวไว้ว่ากิดข้อแรกบุพันเหบินดะปา่าตันจะเวลาเช้าเจ็ดออกบินทบาทเพื่อเป็นการโปรดสัตว์โลกผู้ต้องการบุญคิดข้อสองสายันเหธรรมเดสนงังในเวลาเย็นทรงแสดงธรรมะแก่ประชาชนผู้สนใจในการฟังธรรมซึ่งมีตั้งแต่แาวพญามหกษัตว์ ลงมาจนถึงคนใจเข็นติดข้อ3ปโดเสพิกุโอวาดังในเวลาค่ำทรงประธานโอวาทให้กรรมฐานแก่พระพิสุทสงฆ์รวมทั้งท่งแก้ไขข้อติดขัดในการภาวนาให้ด้วย 4, ติดข้อที่สอัตตะรเตเดวะปันหนังในเวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมะ และตอบปัญหาแก่เทวดาทั้งหลายจิตข้อ5ปัจจุศเซวะคาเตกาเลพัพาพาพัพเพวิโลกนงังในเวลาใกล้รุ่งท่งเล่งพยานที่ใครจะมาข้องตะข่ายพยานของพระองค์ที่อาจจะรู้ธรรมะซึ่งพระองค์ทรงแสดงแล้วได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัยบารมีของคนเหล่านั้นโดยเฉพาะผู้มินิสัยที่จะบรรลุธรรม โดยรวดเร็วแต่ชีวิตจะต้องตายเสียก่อนก็จัดเสด็จออกไปโดดคนนั้นก่อนเพื่อนการเสด็จไปโปรดสัตว์โลกตามพุรกิจข้อต่างๆนี้ปกติจะเสด็จไปด้วยพระองค์เองแต่บางโอกาสก็อาจจะเสด็จโดยพุทธนิมิตในภาวนาก็ได้ตามพระธรรมปัททะกถากล่าวไว้หลายต่อหลายครั้งว่าพระสาวกของพระองค์กําลังพิจาราธรรมอยู่ เกิดขัดข้องในการพิจารณาธรรมในเป็นช่วงสำคัญด้วย ก, การใดก็ตามสมเด็จพระบรมศาสดาระหว่างประทับอยู่ในพระคันธกุฎีจะทรงเปล่งพระโอภาสไปปรากฏพระองค์อยู่ต่อหน้าพระสาวกองค์ น, นั้นๆทรงมีพระพุทธาการุณทรงตรับแนะ่ทรงเฉลยธรรมและเมื่อพระสาวกอง น, นั้นๆพิจรารณาตามไปก็าสามารถบรรลุ มักผลอรัระผลได้โดยไม่ยากทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาเทวดาทั้งหลายเปล่งพระโอภาษไปปรากฏพระองค์โลกสมัยใหม่จะไม่ยอมเชื่อกันเป็นอันขาดว่าเป็นไปได้กล่าวหากันว่าเป็นการเขียนตกแต่งต่อเติมเสริมต่อโดยพระอัฏฐกภาาจารย์ในภายหลังเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์เราจะทาอย่างนั้นได้ โกหกกันชัดๆโลกสมัยปรมาณูก้าวหน้ากันไปเท่าไหร่แล้วคนไทยยังงมงายกันอีกไม่แต่คนไทยธรรมดาจะขัดขางมีพระพิสุทิสงฆ์บางรูปก็ยังช่วยเขียนคานเพราะไตาปิดกนั้นรับไม่ได้ควรจะตัดออกสัก 40-60% ตัดทิ้งเสียฝรั่งเขาจะได้ยอมรับได้โถท่านเรียนแต่ปริยัติ ไม่ยอมปฏิบัติท่านจะทราบได้อย่างไรว่าพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึงแต่ของจริงของแท้ไม่ได้มีของปลอมมาเจือปนเลยไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองแล้วจะเห็นของจริงได้เช่นไรเรื่องเช่นนี้ท่านผู้อยู่ในวงปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากที่เคยผ่านมาแล้วด้วยตนเองหรือยอย่างน้อยก็ได้ประสบพบเห็นเรื่องของครูพระอาจารย์เป็นที่ประจักษ์ตาตนเองมาแล้ว ไม่มีอะไรที่จะกล่าวได้ว่ามากเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้สําหรับพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ส่วนอิทธิฤตธิปฏิหารของพระองค์ท่านของพระสาวกผู้ทรงยานลาภีผู้ประพฤติปริบติตามรอยพระบาทพระบรมครูก็ย่อมเป็นไปในแนวเดียวกันตอนที่24ไทยสี่อย่างของผู้ภาวนา กลางคืนดึกคืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่กําลังจําวัดอยู่ท่านได้สะดุ้งขึ้นอย่างแรงพระผู้ปฏิบัติอยู่กใกล้ๆจางรีบจัดหมอนและพระห่มถวายท่านองค์หนึ่งสงสัยจึงกราบเรียนถามท่านว่าท่านสะดุ้งตื่นก็เหตุใดหลวงปู่เลยบอกสิดว่าดูเมื่อกี้นี้ไม่เห็นพระมีแต่จระเข้อยู่เต็มกุฏิไปดูสินอนอยู่ใด้ถุนตัวหนึ่ง นอนอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆนอนตรงกลางไปดูสิใช่ไหมพระเนรเรีไปดูก็จริงดังท่านว่ากล่าวคือแทนที่จะเห็นภาพพระเนรสิทธิของท่านกำลังนั่งภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายให้สมกับที่ปวรณาตัวถวายเป็นสิทธิพระกรรมฐานแต่กลับมีพระเนรนอนอยู่ใต้ถุนบนเตียงองค์ใหญ่นั้นนอนตรงกลาง เม็ น, น่าประหลาดใจที่ทำไมปรรดาสิทธิ์จึงเกรงกลัวท่านกระหน่ท่านไม่ต้องลุกเดินไปตรวจตราดูใครท่านเป็นอมภาพนอนอยู่กับที่แต่ท่านก็ทราบได้ดีว่าชิดิคนไหนภาวนาหรือไม่ผู้ไม่ภาวนาท่านเห็นเป็นภาพจระเข้นอนกลิ้งเกลือกกองกิเลสอยู่หลวงปู่เตือนเสมอถึงภัยสีอย่างของพระกรรมฐาน ท่านสอนให้สิทธิ์ของท่านควรระวังระวังเหมือนถ้าเห่าจะลงไปในห่วงน้ําข้ามโอค่าสงสารก็ต้องระวังภัยสี่อย่างคือคลื่นหนึ่งจระเข้หนึ่งวางน้ำบนหนึ่งและป่าร้ายอีกหนึ่งท่านบอกสิทธิ์ให้ระวังทั้งคลื่นทั้งจระเข้ทั้งวางน้นําบนและป่าร้ายความดื้อไม่อดทนเชื่อฟังต่ออว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแนะนํา เปรียบด้วยภัยคือเครื่อความเห็นจะปากจะท้องเห็นจะหลักกบจะนอนไม่บำเพ็ญเพียรเปรียบด้วยกับจระเท้กรร ม, มาคุณห้าอย่างรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเปรียบด้วยภัยคือหวังน้ำบนใครหลงติดกรรมคุณทั้งห้านี้ก็จะติดเหมือนลิงติดปังอยู่ในหวังน้ำบนและมีแต่จะถูกกระแสน้า ดูดจมลงอย่างไม่ต้องสงสัยมาตรคามที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ไว้ก่อนจะเสด็จปริยนิพพานว่าควรหลีกเลี่ยงไม่พบป่าด้วยหากจําเป็นพบปะก็ไม่ควรพูดด้วยหากจําต้องพูดด้วยก็ต้องพูดด้วยความจำรวปมีสติท่านเปรียบด้วยภัยคือปลาร้ายผู้จะผ่านพ้นอกฆาสงสารหรือห้วงน้ําใหญ่ไปถึงพระนิพพานได้ จะต้องอาศัยหลักความเชื่อความเชื่อมั่นในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในปฏิปทาทางดำเนินของครูบาอาจารย์จะต้องมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่ามรรคผลนิพพานเป็นของมีอยู่จริงเมื่อเราเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริงเราก็ปฏิบัติมุ่งต่อมรรคผลนิพพานได้เมื่อเราเชื่อว่ามนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติ มีเราก็าทำหน้าที่ให้ทานรักษาศีลไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาให้ยิงย่งขึ้นไปเราเชื่อว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายรูปร่างกายเราสังหากที่แตกดับเราเชื่อโอาวาทคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็ขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเป็นอริยศรรัพท์อริยบารมีฝังไว้สำหรับติดตัวเราไปทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงปานิพานถ้าเราไม่เชื่อโอวาทไม่เชื่อกำดีกำชั่วจิตใจก็หวันไหวเป็นลูกลื่นมากระทบจิตใจสู้ขึ้นแรงที่สัดโถมมาไม่ไหวก็อาจจะจมน้ำตายปานขึ้นมาได้หากติดการเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ปรัชนาความเพียรถูกจริเข้ร้ายฟาดฟันงับลงสู่ใต้ท้องน้าหรือ กลายเป็นจรเข้ไปเจเองดังนิมิตเกิดขึ้นฟองหลวงปู่ก็ได้ผ่านคลื่นผ่านจรเข้ก็อาจมาติดวังน้นําวนมัวรักมัวชอบมัวหลงมัวห่วงมัวอาลัยในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดความยึดถือมั่นหมายว่าเป็นของเราเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยกลัวเป็นหนักกลัวล้มตายกลัวแก่กลัวตาย แม้แต่ร่างกายของเราแม้ที่อยู่ที่อาศัยก็ห่วงก็หวงกลัวชำรุดสุดโทมร่างกายของคนอื่นก็ห่วงก็หวงกลัวก็อาลัยไปด้วยจิตใจก็หวันไหวแปกว่ายอยู่กลางวังน้ำบนหลงยึดหลงติดก็ถูกกระแสน้ำดูดลงสู่วังน้ำบนเป็นวัฏฏะวนตลอดไปหลบคลื่นหลบจระเข้หลบวังน้ำบน เพล่ อ, อาจจะถูกป่าร้ายจับกินเป็นภักษาหาสิทธิ์ของท่านเองต้องศึกหาลาเภทออกไปนักต่อ น, นักแล้วท่านจึงเตือนสิทธิเสมอถึงภัยสี่อย่างของผู้ภาวนาตอนที่25าการเระร่มรชาติในเรื่องบุคเพนิวัตสานุสติยานหรือยานเ ร, ริ่มรชาติได้นั้นไม่ต้องสงสัยว่าหลวงปู่จะมีหรือไม่ สมเด็จพระพุทธองค์ทรงได้ยาานี้เมื่อคืนวันตัสรู้ในเวลาปฐมยามเป็นยาล้ำดับแรกที่ทรงบรรลุทรงทราบรู้ระลึกถึงชาติหัหลังได้ทัานของพระองค์เองและสัตว์โลกอื่นๆตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงอเนกชาติหาประมาณไม่ได้ยาานี้ทําให้ทรงทราบถึงอดีตชาติที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อยู่ร่ําไปและทรงทําให้รู้สึกสลด ดานทศเกิดความสังเวชพระไทยจนน้ำพระเนตรไหลทรงสลดสังเวชสงสารชาติของพระองค์ชาติของจัตเอินที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทนทุกขทรมานมาไม่แต่จะเคยเสวยพระชาติเป็นเทวดาอินพรหมโยมยักษ์นาคมนุษย์ซึ่งเป็นทั้งท้าพญามหากษัตริย์พระเจากก้าจักรพรรดิแต่เป็นคนยากจนเห็นใจ ก็มีมากและนอกจากทรงเกิดเสวยพระชาติเป็นสัตว์ดีร์ฉานแม้แต่ ก, การตกนรกหมกไหม้ก็เคยผ่านคุณนรกต่างๆมาแล้วเช่นกันทำให้พระองค์ทรงเบื่อน่ายในชาติกำเนิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่ยิ่งการจติแผลผันตายเกิดเกิดตายของสัตว์โลกไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เองเป็นเบื้องต้นเป็นบันไดขั้นแรก ในคืนวันเพ็ญเดือนหเมื่อ 2,535 พันหาพาการที่ผ่านมาที่ทำให้พระองค์สาวทอดต่อไปสู่การจัตสรุพระอนุตระสั ม, มาสัมโพธิญาณญาณระรึชชาได้เช่นนี้เป็นญาณซึ่งปวงปราดท่านถือเป็นเครื่องเตือนใจให้สลดสังเวชในภพชาติเล่งพิจารณาให้รู้ถึงทุกรู้เหตุ ให้เกิดทุกรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกและรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกเพื่งพิจารณาทวนกระแสตัดพบตัดกระแสของภพตัดกระแสของภวังให้ขาดสิ้นไปท่านตรวจตราทวนกระแสดูในปฏิจจสมุ ป, ปบาทปัจญการว่าเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับ วิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับอายตานะก็ดับอัยตานะดับภาษาก็ดับภาสาดับเวทนาก็ดับเวทนาดับปัญหาก็ดับปัญหาดับอุปทานก็ดับอุปทานดับพบก็ดับพบดับชาติก็ดับชาติดับความแกรความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้ร่ำไรมพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความเสียใจความทับแทนใจก็ดับไปคำตางกันและทวนหวนกลับกระแสอีกว่าเมื่อชาติดับความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้ร่ำไร้รำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความเสียใจความทับแทนใจก็ดับเพราะชาติดับภพก็ดับภพดับอุปทานก็ดับอุปทานดับปัญหาก็ดับ ปัญหาดับเวทนาก็ดับเวทนาดับภาษาก็ดับภาษะดับอายตนะก็ดับอายตนะดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับสังขารก็ดับสังขารดับอวิชาก็ดับอวิชาดับแล้วสิ่งทั้งหมดก็ดับไปตามกันปราดท้านจะค้นดูในปัจจยการปฏิจจัสมปรบาทอย่างละเอียดละอ ท่านจะพยายามทำให้อสวกิเลสให้หมดสิ้นไปดับไปไม่หเหลือเชื้อเพื่อท่านจะได้เป็นผู้สิ้นไปแล้วจากปัศวะทั้งหลายเป็นผู้เสร็จกิตลจบรมอาจาร์ไม่มีกิเที่จะต้องทำอีกต่อไปการเป็นผู้เสร็จกิจท่านหมายถึงกิเในการละการวางการถอดถอนกิเลสการประหารกิเลสการดับ ก, กิเลสนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะท่านได้ละได้วาง ได้ถอดถอนได้ประหารระดับบทที่แล้วจึงเป็นผู้เสร็จ ก, กิจไม่มีคิดที่ต้องทำอีกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีแต่กิริยากิจปฏิปทากิจที่จะต้องดำเนินตามปฏิปทาอริยมรตอริยประเพณีเพื่อความเหมาะสมและดีงามเท่านั้นสำหรับญาณการระลึกอดีตชาตินี้สิทธิผู้ใกล้ชิดผู้ฝ่ายในการปฏิบัติเพื่อพนทุก์ ได้เคยขอโอกาสกราบเรียนถามหลวงปู่ก็ยอมเล่าให้ฟังบ้างท่านล่ ว, ว่าท่านไม่ได้ึกชาติได้มากมายอะไรที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงระลึกได้อเน ก, กชาติหาประมาณไม่ได้นั้นเพราะท่านได้ทรงมหาสติมหาปัญญามหาบารมีสําหรับท่านนี้เท่าที่ึกได้ท่านไม่เคยเป็นกษัตริย์มักจะอยู่แต่เป็นคนทุกข์ยากเสียมากกว่า เคยเป็นพ่อค้าขายผ้าชาติลาวออกเดินทางมากับพ่อเชียงหมนคืออุปถาคนหนึ่งในชาตินี้ข้าไม่น้ำโขงมาฝั่งนี้มาฐานพระขาหนึ่งวาและเงินเป็นมูลค่าประมาณเท่ากับห้าสิบสตางค์ในปัจจุบนันนี้บูชาถวายพระธาตุพนมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้บวชได้ผลทุกทันละว่าท่านเคยมาช่วยสร้างพระธาตุพนมด้วย สมัยพระมาหากัสริเทระเจ้าพระธาตุพนมนี้สร้างก่อนพ ร, ระปฐ ม, มเจดีย์ท่านเคยเกิดเป็นคนยางอยู่ในป่าเคยเกิดเป็นทหารพรมาร่ามารกกบไทยยังไม่ทันฆ่าคนไทยก็ตายเจอก่อนเคยเกิดอยู่เมืองปันพมา่าชาตินี้ท่านก็ได้กลับไปดูบ้านเกิดในชาติก่อนที่เมืองปันด้วยเคยเป็นทหารไปหลบภัยที่ถ้ำกะเชยงใหม่ และเคยตายพระอดข้าวที่นั่นท่านเคยเป็นพระพิสุรักษาศีลอยู่กับพระอนุรุทธะเคยเป็นสมัมมาเนน้อยลูกศิษย์พระมหากัสปะเคยเกิดเป็นท้าวมหาพรมในพมบรโรคสำหรับการเกิดเป็นสานนั้นทันลวาท่านก็ผ่านพ้นมาอย่างทุกยากแสนเข็ญเช่นกันเช่นเคยเกิดเป็นผีเสือ้อถูกขังข่าวไล่จับเอาไปกินที่ถ้าผาดิน เคยเกิดเป็นฟานหรือเก้งไปแอบกินมะกอกกินไม่ทันอิ่มสมอยากก็ถูกมนุษย์ไล่ยิงเขายิงที่โคกมนถูกที่ขาวิ่งหนีกระเซอะกระเซิงไปตายที่บ้านม่วงเมื่อครั้งเกิดเป็นหมีไปกินแตงช้างคือแตงร้านของชาวบ้านถูกเจ้าของเขาอมิดไลฟ่ฟานถูกหัวและหูเคราะดีไม่ถึงตายแต่ก็บาดเจ็บมากต้องทนทุกข์ทรมาน จนกระทั่งหายไปเองเคยเกิดเป็นไก่มีความผูกพันรักชอบนางแม่ไก่สาวจึงอธิษฐานให้ได้พบกันอีกทำให้กลับมาเกิดเป็นไก่ซํำอีกถึงจัดชาติเคยเกิดเป็นปลาขาวอยู่ในสระณะบริเวณซึ่งปัจจุบันคือที่สวนบ้านพลอากาศเอกประโยมเย็นสุดใจถ้าเล่าชีวิตของการเป็นสัตว์นั้นแสนลาเคินอดหยาก ปากแห้งมีความรู้สึกร้อนหนาวหิวกระหายเหมือนมนุษย์แต่ก็บอกไม่ได้พูดไม่ได้ต้องซอกซอนไปอยู่ตามป่าตามเขาตามประาศาสตร์ฝนตกก็เปียกก็หนาวสัน่นแดดออกก็ร้อนก็ไม่เครียมอาศัยถ้ำอาศัยร่มไม้ไปตามเวลาบางทีมาอยู่ใกล้หมู่บ้านหิวกระหาย เป็นพืชผลที่ควรกินได้เป็นอาหารได้พอจะหยิบฉวยจับใส่ปากใส่ท้องได้บ้างาก็กลับกลายเป็นของที่เขาห่วงหาพพ้ามผีเจ้าของต้องถูกเขาขับสายไล่ทำลายมะกอกสักหน่วยกล้วยสักลูกส้มสุกลูกไม้แตงสะขผลหยิบปลิดมาใส่ปากกินอย่างไม่ทานอิ่มท้องมนุษย์ก็ไล่ยิงไล่ฟันของเพียงน้อยนิดแต่ต้องแลก ด้วยชีวิตทางชีวิตชีวิตซึ่งจะเป็นชีวิตของคนหรือชีวิตของสัตว์ของสัตว์ใหญ่หรือของสัตว์เล็กก็คือชีวิตดวงหนึ่งเหมือนกันชีวิตที่วีนว่ายวนอยู่ในกองทุกข์ตามอํานาจกรรมที่กระทํามานี้แต่บางทีภพชาตินั้นก็ยืดยาวต่อไปด้วยอํานาจกิเลสปัญหายกตัวอย่างเช่นตอนท่านเกิดเป็นไก่ใจนึกปฏิพัติ รักใคร่นางแม่ไก่ชื่นชอบพบชาติที่เป็นไก่ของตนปรารถนาขอให้ได้พบนางแม่ไก่อีกก็ต้องวนเวียนกลับมาเกิดเป็นไก่อยู่เช่นนั้นทันละว่าแม้ท่า น, ววา น, านพระอาจารย์มันเองเมื่อท่านบารึกชาติได้พบชาติที่เวียนวนกลับไปเกิดเป็นสุนัขถึงหมื่นชาติท่านมาเกิดความสลดสังเวชถึงกับขออธิษฐานเลิกปรารถนาพุทธภูมิ เพราะการบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตนั้นท่านจะต้องบำเพ็ญต่อไปอีกเป็นแสนกับแสนกันและหากเกิดกิเลสปัญหาติดข้องกูฏพันรักใคร้ปัถนาพบรักพบทุกข์อยู่นั้นแล้วการเดินทางในภพชาติก็จะยืดเยื้อเยื่นยาวต่อไปเป็นอนันตการเพราะดีที่ท่านเกิดตลดสังเวชคิดได้ ขอตัดขาดไม่ปราถนาพุทธภูมิท่านพระอาจารย์มั่นจึงสามารถดำเนินความเพียรเร่งรัดตัดตรงเข้าสู่พระนิพพานเป็นผลสำเร็จได้พร้อมกับที่เล่าให้สิทธิ์ฟังเรื่องการเรารึกชาติท่านจึงชี้ัยของการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในภพชาติต่างๆให้ฟังเสมอท่านเตือนย้าว่าการกาหนดเรารึกรู้ได้เหล่านี้ เป็นเพียงผลพลอยได้จากการบำเพ็ญเพียรภาวนาให้จิตสงบหากเกิดขึ้นก็รับรู้นำมาพิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเจ้าของฟาดฟันกิเลสให้ย่อยยับอับปางไปโดยเร็วไม่ใช่โมนึกหลงนึกดีใจเกิดมานะว่าเรา เก่งกล้าสามารถกว่าคนอืน่นนั่นเป็นทางอายนาพระบุพเพนิวารสานุสติยานเป็นเพียงโล ก, กียานไม่ใช่โล ก, กุตรยานถ้าเจ้าของไม่เร่งดําเนินเข้าสู่ทางไปสู่อาสวัคคายานหรือยานซึ่งถอดถอนอาสวิกิเลสให้สิ้นไปดับไปแม้ยานเร่รืกรู้อดีตชาติซึ่งเป็นโล ก, กียาน ก็ย่อมจะเสริมได้ตอนที่26สายน้ำผุดบนภูผานดังได้กล่าวแล้วว่าหลวงปู่และหลวงปู่ขาวเป็นสาธรรมิกที่ถูกอัธยาศัยซึ่งกันและกันต่างนับถือกันในความเด็ดเดียวอาถรรพ์ไม่หวาดหวั่นภัยอันตรายต่างยกย่องกันในด้านการภาวนากล้าสลระตายต่างเคารพกันในเชิงภูมิจิต ภูมิธรรมของกันและกันต่างเคยประกาศใครสละตายได้ไปกับเราปกติเมื่อออกปรรษาแล้วท่านทั้งสองก็จะออกวิเวกไปหาที่เงียบสงัดบำเพณความเพียรบางครั้งท่านก็จะแยกย้ายกันไปหาป่าดงพงชัดเงื้อมหินผาหรือถ้ำในเข่าลึกเปไปที่ศรัทธายะแก่จริตนิสัยของแต่ละองค์แต่บางครั้ง ท่านก็จะออกผดงไปด้วยกันเลื่อนรู้ดีว่าต่างองค์ต่างมุ่งทรรมแดนปฎทุกข์ด้วยกันทุกยากลำบากแสนเข็นเช่นไรก็ไม่ได้หวั่นเกรงด้วยยอมมอบกายถวายชีวิตสละตายเพื่อทาด้วยกันความเพียรก็ดีความอาหารเด็ดเดียวก็ดีท่านเชื่อว่าเป็นสหมิตรเสมอกันไม่มีความอ่อนแอท้อแท้กลัวทุกกลัวยากกลัวภยัย กลัวเจ็บกลัวตายให้เพื่อนอีกคนจะต้องห่วงกังวลเสียเวลาทำความเดียนของอีกฝ่ายไปท่านชี้แจงว่าในการเดินทุงนี้หากได้หมู่พวกที่ใจไม่ถึงย่อๆแ ย, อยอ่ๆหรือหยอกๆยอกเยาะๆตามสำนวนของท่านหวาดนั่นกลัวนี่ก็ลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะถ้ากำลังอยู่บนยอดเขาสูงหรือในปา่าลึก เกิดมีใครใจไม่สู้ขึ้นมากลัวตายกลัวเจ็บก็อุ้มหามแบกบลากลับมากันอย่างไรผู้หนึ่งจะอยู่อีกผู้หนึ่งจะไปผู้หนึ่งจะสู้ภาวนาด้วยจิตกล้าอีกผู้หนึ่งจะลี้หนีด้วยจิตกลัวท่านจึงมักพอใจจะไปแต่ผู้เดียวด้วยท่านเป็นผู้อยู่ง่ายหมาง่ายไปง่ายไม่ต้องกังวลใครดังนั้นถ้าจะมีหมูเพื่อน ท่านก็จะต้องเลือกเฉพาะผู้มีจริตนิสัยคล้ายกันมีธรรมะเสมอกันดังที่ท่านมักจะไปกับน้งปูขาวบ่อยครั้งครั้งที่ทำให้เกิดมีเรื่องเล่าขานกันต่อมาจนฟังดูประหนึ่งเทศนิยายไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นความจริงในโลกมนุษย์นี่ก็เป็นการเดินธุดงของท่านครั้งหนึ่งที่ท่านไปกับน้ำผูขาวเหมือนกันท่นละว่าท่านมีอายุ27ปีเท่านั้น ออกภาษาแล้วท่านก็ชวนหลวงภูขาวออกจากวัดวิเวกไปทางป่าลึกหลังเทือกเขาภูผานป่าลึกบนเทือกภูเขาภู ผ, ผานก็เช่นเดียวกันกับป่าเขาแถบเอิญในเมืองไทยที่ระยะกว่าเจสปีที่ผ่านมาแล้วนั้นทักรกชัดและเปรียบเสมือนป่าดงดิบยังไม่มีความเจริญยังไม่มีถนนตัดผ่านไปเป็นที่อยู่ของจันทวิบารจตุบาทอาาชนิด ทั้งหน้าหวาดกลัวเช่นงูเสือช้างหมีเม็นหมูป่ากระเทงหรือท่านารักน่าสงสารอย่างเช่นนกยูงนกเงือ้อกเก้งไก่ฟ้าลิงข้างบากชนีเหลี่ยงผาจะมีให้ได้เห็นได้หรือได้ยินเสียงโกลจนาาร้องก้องฝ่าอยู่เสมอให้ความรู้สึกว่าป่าหรือ บริเวณนั้นเป็นบ้านเมืองของบรรดาพวกสิงสาราะเหล่านั้นมนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้บุกรุกล้วงล้ำก้ามเกินเข้าไปในดินแดนถิ่นที่อยู่ของเขาปกติในการเดินทุดงถ้าจะต่างองกําหนดจิตภาวนาไปตลอดเวลาถ้าเดินทางทั้งวันก็เท่ากับเดินจงกรมทั้งวันถ้าเดินทางตลอดคืนก็เท่ากับเดินจงกรมตลอดคืนจิตที่ภาวนาจนเป็นสมาธิ จะมีแต่ความสงบเยือกเย็นจิตวิเวกกายวิเวกจิตเบากายเบาจิตสงบกายสงบจิตและกายต่างสงบอยู่ในตัวของตัวเองแม้ท่านจะได้ชื่อว่าเดินทวดงไปด้วยกันแต่ระหว่างที่จิตเร่งทำความเพียรอย่างประชิดติดพัน่านหนึ่งกำลังรุกไล่ฆ่าจึกให้หมอบราบลงนั้นท่านก็แทบจะไม่ได้รู้สึกถึงใครอื่นที่อยู่ใกล้ พระพุทธองค์เคยทรงพระพุทธพจน์ระหว่างประทับอยู่เชตวันว่าเอกาสนังเอกเสยยังเอโกโอจระอะตาริโตเอกดัมายะมัตตานังวะนันเตระมิตโตสียาภิกษุพึงเสดที่นั่นคนเดียวที่นอนคนเดียวพึงเป็นผู้ไม่เกิดครานด้วยการเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในทุกเรียบท เป็นผู้เดียวที่ทรมานตนเป็นผู้ยินดียิ่งเในราวป่าเอโกาสนางเอกเตยังผู้บำเพ็ญภาวนาไม่ละมูลกรรมฐานแม้นั่งในหมู่พิกษุตั้งพันแต่หากทำใจวิเวกเหมือนนั่งอยู่แต่ผู้เดียวแม้อยู่ในที่นอนอันิจิตท่ามกลางพิสุตั้งพันรูปแต่หากจิตมั่นอยู่ในข้อกรรมฐานก็ชื่อว่า อยู่ในที่นอนคนเดียวเหมือนกันเอโกโจะระอตันิโตเป็นผู้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่กิรานในทุกิริยบทเอกาดัมยะมาตานางังเป็นผู้เดียวท่นั้นสามารถทรมานตนประกอบกรรมฐ า, านทั้งหลายได้ในที่พักทุกที่วะนันเตพระมิโตโศยาเมื่อทรมานตนอย่างนั้นที่ว่าเป็นผู้ยินดียิ่ง ในราวป่าอันสงัดจากเสียงทั้งหลายจิตของท่านนิเวศกายของท่านนิเวศจิตของท่านเปลวกายของท่านเปลวมีความรู้สึกว่าอยู่แต่ผู้เดียวตลอด